<laughs> เวลาไหนก็เป็นเวลาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เวลาเดินจงกงเวลาสร้างจังหวะนั้งเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยทางกายทางกิจใจเวลานี้อาจจะหิวเห็นมันหิวหรือเป็นผู้หิวความหิวมันคืออะไร เป็นธรรมไหมมันเป็นธรรมนะถ้าเป็นทุกข์เพราะความหิวเลยไม่เป็นธรรม <c oughs> ถ้าเป็นทุกข์เพราะความหิวเลยไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วน่าจะขออควความหิวอาอยุเจ็ดสิบหกปีแล้วจังหิวข้าวเหมือนเด็กแสดงว่าปกติ ดูการเคลื่อนไหวของกายของใจอาการเกิดเกิดกายกิดใจนี้มาเป็นความรู้ทั้งหมดจะให้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ประกาศอิสระห้าเด็ดขาดตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์แน่นอนตลอดพวกตลอดชาติชาติ เอากาเอาอาการที่เกิดกับกายกับใจว่าเป็นเรื่องความรู้สึกตัวเป็นธรรมที่สุดปฏิบัติตามธรรมคือทำอย่างนี้เลยในข้างพระเจ้าพระองค์บวชให้คุณหลวงบุทิยังแต่พูดว่าเธอจงเป็นภิษเมาเถิดต่ำไม่ไหนเราจัดไว้ดีแล้ว จุกปพฤตตามทํามวินัยนั่นเถิดนั่นเฮยไหนคือมีละเบียบหลงที่ใดลู้ที่นั่นอย่างมีเละเบียบวินัยไม่ให้หลงเป็นหลงถ้าหลงเป็นหลงไม่ตามวินัยไม่ตามธรรมวินัยแล้วก็ไม่เป็นธรรมด้วยทุกเป็นทุกไม่เป็นธรรมด้วยทุกเป็นความลู้นี่ตามธรรมวินัย ปฏิบัติตามทำไม่นหนนั้นให้เป็นที่สิ้นทุกข์ถืดสิ้นทุกข์จริงถ้าเปลี่ยนสิ่งที่เกิดกับกว่ากับใจมาเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยจบสิ้นได้เราหลงอจริงสงไข่หลงเราทุกข์จิตสงไข่ทุกข์เคยเปลี่ยนความทุกข์ความหลงเป็นความรู้สึกตัวไหมแบบนี้เรามาเอากิจตัวมามีสติดูแลตัวเราให้ดีๆ มีสติเป็นเจ้าของตายเปเจ้าของจิตใจมีสติมันหลงไม่ใช่สติเราเรามีสติไม่หลงงานทุกเรามีสติไม่ทุกงา น, นโกรธเรามีสติไม่โกรธใช้สติของเราอย่าไปยอมจำนวนความทุกข์เกิดเกิดกับความคิดก็มีมาก คิดขึ้นมาเป็นทุกข์ก็มีคิดขึ้นมาเป็นสุข ก, ก็มีคิดขึ้นมานอนไม่ได้คิดขึ้นมากินไม่ได้แค่นี้หรือชีวิตเราจางแต่ความคิดก็เป็นสุขเป็นทุกข์เราต้องมีสติให้ยงยยใหย่มใอํอำนอดต่อมาที่จะไม่ทุกข์กับความคิดนี่ปัญญา